อย่างไรก็ตามก่อนจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกขอย้ําความที่พระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ที่ว่าโดยปรมัาทคือความหมายสูงสุดหรือความหมายที่แท้จริงนิพพานไม่มีการแบ่งแยกแต่ที่แบ่งเป็นสองนั้นก็เป็นการแบ่งโดยปริยายเท่านั้นและพึ้นเข้าใจความหมายของคําสําคัญสามคำต่อไปนี้ก่อน คือหนึ่งคำว่าเวทายตะมาจากรากศัพท์เดียวกับเวทนาและใช้แทนเวทนาบ้างในบางคราวแปลว่าการสวยอารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่ได้สวยก็ได้ในที่นี้มีรูปพระหูพจน์เป็นเวทายตานี้จึงควรแปลว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ได้สวยแล้ว เทียบได้กับคำที่ใช้กันในบัรนี้ว่าประสบการณ์ทั้งหลาย 2. คำว่าอนพินันทิตะเป็นคำวิเศษขยายเวทยิตะมาจากอภินันทิตะซึ่งแปลว่าเพลิดเพลินหรือชื่นชมในที่นี้แปลว่าติดใจผัวพัน หมายถึงคลอเคลียรหรือคล้าด้วยตัณหาไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบคือไม่ว่าจะในทางยินดีหรือยินร้ายชอบใจหรือขัดใจก็ตามเติมนะักปฏิเสธเข้าข้างหน้าเป็นอนะพินันทิตะแปลว่าแม่ติดใจผัวพันหมายความว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ได้สวยหรือประสบการ คือเวทายิตะทั้งหลายเหล่านั้นมีเดชถูกคลอเคลียดตัณหาคือผ่านการรับรู้เข้ามาแล้วก็อยู่ในสภาพบริสุทธิ์แล้วก็ผ่านโล่งปลอดโปร่งไปไม่ติดค้างคล้องขัดขาใจพร่ำนึกพร่ำคิดเพราะจิตของผู้สวยอารมณ์ไม่ถูกบังคับหรือครอบงำให้ปรุงแต่งบิดเบือนหรือหันเหอารมณ์ไปตามอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะ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 ว่าโดยสถานะมาถึงระดับที่เกินหรือเลยจากธรรมดาสามัญสิ่งที่ล้ำลึกกว่าทิฏฐธรรมิกะด้านจิตใจเลยจากชีวิตประจำวันเรื่องชั้นในหรือขั้นสูงขึ้นไป